เดี๋ยวลมเดี๋ยวพายุบนโลกนี้ตั้งอยู่บนความแปรปรวนอะรแปรปรวนไปนหมดแลระบบสิ่ลงลมก็แปรปรวนฝนก็แปรปรวนท้ฟ้าขาดแปรปรวนความมืดความสว่างแปรปรวนมันแปรปรวนไปนหมดสิ่งแวดล้อมตัวเรานะแปรปรวนไปนหมด ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแปรส่วนไปหมดธาตุข้างนอกแปรสวนธาตุข้างในเราก็แปรส่วนธาตุดินข้างในธาตุน้ำข้างในธาตุลมข้างในธาตุไฟข้างในก็แปรส่วนไปหมด ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของของทาย์ที่สําเร็จรูปมันแต่สังขารมันจะแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่สงบสิ่งเพราะเหตุมันพาแปรปรวนมาปัจจัยมันพาแปรปวนเหตุพาแปรปวนปัจจัยพาแปรปวนคาว่าเหตุหรือปัจจัยก็คือสิ่งประกอบผู้ส่วนประกอบจากสิ่งหนึ่ง บวกกับสิมก็เป็น ส, นสนองสิ่เป็นสามสิมงนสองเป็นสี่งสเป็นสิบแปดแปดเป็นสิบหเพราะเป็นควคุ้เหรือเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยประกอบกันแล้วไม่คงทิ้แปรปรวนไปไเรื่อยไม่จบสิ่ความแปรปรวนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรง ยกมาสอนให้พวกเราพิจารนาะให้เห็นใ้เห็นความแปรปวนความแปรปวนของกายของดราอยแปรปรวนเยวสุขเดี ย, ย, ยทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดยสุขเดยสุขเยวทุกข์เยกเยสุขอยู่อย่างนี้แหลเดี๋ยวร่างกายสุขสบายเบาสบายโปร่งโปรเดี๋ยวก็อ่นอัด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 เปลี่ยนตูปขพรมันเปลี่ยนตัวของมันผูพุทธจาท่างสอนให้เราพิจารณาให้เห็นความเปลี่ยนความไม่คงที่ความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่นี่แหละเป็นทั้งอนิจจังเป็นทั้งทุกขังท่านสอนท่านสอนความไม่คงที่ของของสองขานั่นใกรของเราทั้งเราทั้งท่านเนี่ยให้เห็นว่ามันไม่อยู่ไม่คงที่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 อต่อันนี้มันไม่มีอะไรของคงที่สักอย่างถ้าที่ว่ามันมันมีมการสานไม่มีสาระมันเปลี่ยนตัวของมันไปเร่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอเปลี่ยนไปตามลาดับอายุไขอนอกจากเปลี่ย น, ปนไปตามลาดับอายุไขแล้วก็เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากความพอดีปราบใดที่เขาพอดีเราให้ความหมายว่าเขาเป็นสุข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 เขาไม่พอดีในตัวตัวมันความไม่พอดีกับภาวะแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับรูปธรรมอันนี้ความไม่พอดีทําให้สังขารภายในเขาลันพลอยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปด้วยเกิดความไม่พอดีเจ็บไข้ได้ป่วนเป็นหนาวเป็นก้อนเป็ น, นอะไรขึ้นมาปวดหัวปวดน้อนผียปกติเิดมยกมากถึงกับวิกนจริการส่วนในส่วนหนึ่ง โเราจะต้องไม่ประสบพบเห็นไม่ว่าราวไม่ว่าท่านเราจะต้องไม่ประสบพบเห็นสิ่ล่านี้ให้เรารู้จักเอาไว้ว่าทั้งฐารร่างกายมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความไม่เที่ยวเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยที่บุทธเจา้าท่านทรงสอ น, สอนประสอนไว้ไตักษณ์ไตลักษณะลักษณะ3ามอย่างเรีว่าไตรลัก์ันน้นอย่างทุกข์ขงอ น, าานัตตา ดูไม่เห็นความไม่ถาวรของมันมันไม่มีอะไรยืนยาวยืดยาวมันเปลี่ยนตัวมันเรื่อยมันมีอะไรเป็นแก่นเป็นสามัมีอะไรเป็นถาวร mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้นาทีนี้ให้ความสุขสะดวกสบายสุขสบานแกเรา mm hmm. ก็รับเข้าใจว่าเออตอนนี้มันพอดี mm hmm. มันจะไม่โอเคเยี๋ยมเขาเปลี่ยนตัวของมันไป mm hmm. จากความพอดีเป็นความไม่พอดี อาจจะเป็นลมแรงเกินไปอาจจะเป็นธาดุเี่ยนไปรปรวนไปอาจจะเป็นธาตุลมแปรปรวนไปปวดจุก ป, ปวดเสียดอยู่ในท้องอยู่ในไส้ดันขึ้นมาข้างบนทางตาทางหูทางจมูกทางไรดันเป็นปวดศรีรษะมันสามารถเปลี่ยปรปวนไปหมดแต่ละอย่างแต่ละอยา่ยางเราศีรจะทำให้มัน มันแสดงให้เราเห็นให้เราปรากฏท่านให้เราเอาใจของเราเนี่มาคำนวมาพิจารณาให้รู้ว่าร่างกายมันตั้งบนพื้นฐานอันนี้ของมันให้เก็ยมาศึกษาวไว้มารู้ไว้มาเข้าใจเอาไว้ถ้าไม่น้อมเกียรติมาศึกษาให้รู้ให้เข้าใจก็จะทําให้เราเป็นทุกข์ใจขึ้นมาเลยร่างกายมันแปรปรวนเป็นทุกข์ของมันตามปกติของมันตามภาวะของมัน โดยเหตุที่จิตไม่เข้าใจมันงงไม่เข้าใจจิตโดยเหตุที่จิตยึดกายเนี่ยกำลังมนทุกข์ไปปวดหัวปวดตัวร้อนปวดตุนไข้ปวดเป็นหนาเวเยนว็นปวดเท้นปวดเทีนปวดข้อเป็นอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเปลี่ยนระบบกะเบียบภายในสังขารทางกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องตามราวขมันอขัดระบบนั้นขัดระบบนี้ ระบบขับทายอุจจาระปัสสาวะระบบเลือดระบบลมระบบอะไรต่างๆมันจะขัดนุน่นเราก็ต้องดูอลเยียวยารักษาไปให้อนันไปให้อันนี้ไปให้ธาตุดินที่เ็นยาเข้าไปให้ธาตุน้ า, นาที่เ็นยาเข้าไปมันก็ช่วยไปกลับไปเปลี่ยนไปบรนเทามางอางก็ หายหายจากตรงนั้นกเป็นตรงนี้หายจากตรงนี้ก็เป็นตรงนั้นอยนู่นั้นเลยมันแปรปวนไม่จบสิ่งมันจบสิ้นตอนไหนจบสิ้นตอนนุ่ น, น, อ, น, น, นอยู่บนเชิงตะกอนนั่นจบสิ้นมอดไปกับความที่เท่าที่ทาน น, น, น, น, นนั่นแหละจบสิ้นตรงนั้นแหละร่างกายตรงนี้ตราดที่ยังเป็นอยู่เนี่ย เราจะต้องอยู่ด้วยกันนั่นแหมีความเ ก, ก็บความปวดันแหละเป็นมิตเป็นสหายเป็นเพื่อนสองกับสั้งขานทั้งกายใช้าันอยู่ดีมีสุขราบรื่นเรียบร้อยอตั้งแต่เช้ากลางวันอเง็นตั้งแต่หัวข่ำเรี่ยงคืนช่วงกลางทุกวันเวลาใดานั้นเป็นไปสมองสมองนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ มันขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ถ้าจริงให้เราจิขขานะขาตของเรามันจ่อดมกำลังดูมาพิจารณาดูวห้เรากข้าใจถ้าถ้าไม่มาพิจารณาให้เราเข้าใจาาาาาใจิตของ เ, เราก็พลอยทุกข์ไปกับการอเนี้ยอ๋อทุกข์กับปวดหัโอ้ยทุกขก์ ก, กับตัวร้อนอ๋อทุกข์กับเป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจเมาหวานสารพัด มาแร่งนะที่มันจะตามมาสิ่งเหลนี้มันจะตามมาเรื่องจาวาราังกามันแปรย์วนทุกขณะทุกวันเวลานาทีแปรปย์จาวารังเป็นอย่างนั้นเปรย์จาวารเป็นอย่างนั้นเหมือนของพี่ของมันเราเลยอยู่กับสภาวะทุกข์ต่างๆเหล่านี้เป็นประจำไปศึกษาให้รู้จักเอาไว้สัจัยเอาไว้รู้จักเอาไว้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 คืนนี้วันครุ่งนี้อ่ ะ, อะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไปเรื่อยเรือผ่านวัไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนถึงอายุหกสิบปีเ0็ดสิบปีแปดสิบปีนอนดูไปจนตายนุ่นนอนอาปากอยู่ในโรงเอาบาขึ้นเชิญตะกอนถูกไฟไม่นุ่นเอาละ เ้าบักฟังแล้วฟังก็ไม่มีอะไรฟังก็อยู่ในยินเนี่ยถ้าดินตดูดินกินเข้าไปดูดไปดูดไปดูดไปเหลือแต่กระดูกอะกลับสร้างเหมือนกัโล่อ่ะ mm. นานปีไป10ปี20ปีหมอค่อเริ่มผุเริ่มพังเริ่มเปือ่อยเริ่มสลายไปอะเป็นกี่เท่าอะ เป็นที่เท่าเลยก็ดูก็จะแข็งๆก็ผูกเข้าไปอ่าเบื่อเข้าไปเป็นแป้งเป็นมันกป็นช็อกอะไรเป็นแป้งเปื่อสลายเข้าไปในสุดก็หมดกลายเป็นธาตุดินเราลงไปสุดท้ายเรารเราคิีงจะมันไม่หลงไปกับมันไม่เคลื่อนไปกับมัน วัตตาสงสารความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นเหตุให้เราหลงเคลินไปกับมันหลงเพลินไปกับรูปหลงเคลินไปกับเสียงหลงเคลินไปกับเรื่องราวต่างๆสารพัดที่อยู่รอบรอบรอบตัวเราที่อยู่รอบจิตเราที่จิตมันไปเห็นได้ความได้คิดได้เห็นไั้ ถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาเางเคลิ่นไปเคลิ่อนจนลืย้อมาดูตัวเองเคล่อนนจนย้อมาดูตัวนี้ไม่เอาปิดกระจายจิตกัญญามันจดมันจอมาดูมาพิจารณาให้เัาไั้ใจแล้วก็เพลินกับตามหน้าของพเรที่มันพาเราโยกเราไปนู่นโยกเรานี่นะ ไปขาดอันนั้นไปเดาอันนี้มันสําคัญมั่นหมายอันนั้นสําคัญมั่นหมายอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่มีจบความสําคัญหลงเพลินกับเราไม่มีจบเราดูไปจบร่างกายดูไปจบดูมาตั้งแต่ท้องแม่เติบโตมาจนถึงตอนนี้เราดูจากนี้ยืดไป้าหน้านั้น อะเป็นวันเปเดือนเป็นปีเท่านั้นปีเนั้นปีบางปีอาจจะไม่อยู่6อยู่จบครอบไปอ่ด้วยเหตุที่ร่างกายเนี่ยมันมันไม่แน่นอนมันดีดูเป็นความไม่แน่นอนอาจจะเจ็บใครได้ตัวยตายกระทานหันวันนี้คืนนี้อ่ะครูนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้า จะลอยมัาตายด้วความไม่นหน่นอนไม่มีอะไมาบอกไม่มีอะไรเป็นปจกักพยานว่าเราจะตายหวานเราจะตายพรุ่งเพราะฉะนั้ น, นท่านจึงให้เราไม่ประมาทไม่ให้เราประมาณยืนเดินนั่งนอนไม่ให้ประมาทมีสติมีสมาธิยัสมีปัญญ า, ม, ญญามาพิจารณาดูว่าขีดที่มันไม่คงทนเท้าวอนเลยเพื่อ เพือความไม่ปพลมาะจะได้เอากำลังวังชาจากที่เราเลี้ยงมันไปวันๆเนี่ยมาทำประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านทำไปเลยไม่ต้องไปเกีย่ยวประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนก็คือประโยชน์ท่านรวมแล้วทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ตนทั้งหมดเราอย่าไปเกีย่ยว ไม่งั้นวันคืนลงไปเราไม่ได้รับประโยชน์ประโยชน์ก็คือคุณงามความดีเทั้งหลายทั้งปวที่เราสร้างเราทำมาสะมาสมมาเพาิ่มเติมไปที่ใจใจเก็บผลงานต่างเหล่านี้ใ จ, ใจใเป็ น, น, น, นคนเก็บเอาไว้คุณงามความดีคุณสมบัติต่ามต่าเหล่า น, นี้ใจเป็นคนเก็บเอาไว้ประโยชน์ตนเราทํา สมุนปนิบุญไม่ขาดตก บ, บกเข้าะจําวันอไปยำคืนแต่ละวันแต่ละคืนรวมไปนะครับพยายามทำประโยชน์ตนนอกจากประโยชน์ตนแล้วมันก็ยังมีประโยชน์ท่านสิ่งที่เราเกี่ยวข้องผูกพันต่งางเหล่านี้แหละมันมีทั้งประโยชน์ตนมันมีทั้งประโยชน์ท่านถูกตรงแล้วก็คือประโยชน์ตนเราทําประโยชน์เพื่อท่านนั่นแหละ แต่พอเราทําไปแล้วตกฝึกเป็นประโยชน์ตนใจเก็บรักษาไว้บุญใจเก็บรักษาไว้เป็นหน่อเนื้อเชื้อบุญอยู่พายในตัวใจของเรคนเราจะไปอาศัยกําลังปีแข่งรำมหาศินแสวงหาความสุขให้ได้รับความสุ ข, ส, ขสบายอย่างเดียวชิมอย่างไม่น่จะ ต, ต้องมีผลงานที่เก็บสะสมไว้คือบุญ ก็บุญนี่แหละจะช่วยเอาวยให้เรานี่ได้รับความสุขได้รับความสุขเราดูคนที่เขามีบุญนี่เขามีความสุขต้องการอะไรต้องการจินใจได้สมหวังได้ตามความหวังได้ทําความต้องต้องตั้งใจตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีบุญต้องการอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามใจหวังแหละ ต้องการสิ่งนั้นก <c ười> ็ไม่สมหวังต้องการสิ่งนี้ก็ไม่สมหังอันนั้นก็ขาดอันนี้เกิเขินมันเขินอะไรหัวใจเขินอะไรจิตใจเขินภายในบุญนั่นแหละบุญมันไม่มีหรือไม่เต็มเมื่อใดเมื่อสมหวังเมื่อสมหวังสิริจารมาคือความสุขเมื่อไม่สมหวังสิ่งที่จามมาคือความทุกข์ทุกข์น้อยเนื้อทุกข์ต่ำใจ ทุกไม่เต็มใจทุกไม่พอใจสิ่งต่างๆนี้มันมาจากสิ่งที่ตอกลึกอยู่ภายในหัวใจของบุญทั้งนั้นเลยเรายังมองข้ามบุญเพราะฉะนั้นบุญเราจำเป็นต้องยืนรวนขวนขวายสวงสอบสวยต้ององใจทาเอา มูลในการเชื้อตลาดมูลในการให้ทานให้ทานวัตถุทิ้งของให้ทานสติความนึกความคิดช่วยนึกช่วยคิดให้ทานกำลังที่จะช่วยแก้ช่ว ย, วยนึกช่วยคิดช่วยจาบช่วยทําสิ่งที่เป็นเพื่อประโยชน์ตัวเองสิ่งที่เป็นเพื่อประโยชน์ท่านะสิ่งที่ตกฝึกเป็นนผนงานขึ้นมา ให้ตัวเองใช้ได้สอยให้ท่านได้ใช้ได้สอยที่วันนี้ตอบสนองมาคือบุญทั้งนั้นอันนี้คือบุญจากภายนอกที่เราอาศัยร่างกายนีอาศัยเรี่ยวแรงนี่สวยนหารจัทํามีวัตถุมีสิ่งมีของเราก็เสียสลับไปก็เป็นวัตถุธาตุมีสติมีปัญญาเราเสียสลับเชื่อชื่อเชื่อคิดชื่ออ่านเชื่ออะไรไป ที่ก็เป็นนี้ก็เป็นฐานเป็นธํามฐานมีร่างกายใช้เรียบใช้เรงใช้อะช่วยจเพื่อยทาช่วยยิบช่วยยกช่วกะช่วยเตี๋ยช่วยทําอะไรเตีเรียบร้อนเพื่อประโยชน์กายกรรมมีกรรมช่วยพูดช่วยบอกช่วยแนะช่วยเตือน เพื่อเพื่อเกิดประโยชน์สิ่งนี้องเป็นบุญนั้นตามาการกรรมกิจกรรมวัตถุทานอภัยทานธรรมทานจากนั้นสิ่งที่จะเป็นและเกิดบตามมาตั้งแต่รักษาศีลตั้งแต่รักษาศีลละเอียดเข้ามาสังกอบรมกายสังกอบรมจิตใจสังกอบรมปัญจจะ บุญละยเอยดขึ้นไปว่านั่นเองคือตั้งแต่ภาวนานวันคืนเดินเดินนั่งนอนมันมีทั้งสิที่เกี่ยวข้องกับตัวเองสี่ที่เกี่ยวข้อง ก, กับคนอื่นสี่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างเดียวแสวรเอาบุญกับตัวของตัวเราอย่างเดียวทำจิตให้จสงบภาวนา <c oughs> เกระเด็นสะสมมาเป็บุญ การภาวนานี่แหละเป็นวิธีเป็นอุบายเป็นวิธีธธที่ทําให้เราเอาข้อปฏิบัติมาํากับที่จิตนะเพื่อจะทำกเกเรที่มันมีอยู่ภาในจิตให้มันสงบไปแลงับไปสงบไปแล้วงับไปเมืนะ่อมันสงบเมื่อมันเริ่มสงบเมื่อเกมันเริ่มสง บ, เ ร, เ, รสงบเราไปได้รับความสุขได้รับความอิ่มเบิก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 ที่เรียกว่าวิยาวัตรจำมยบุญเจเบิดการขวนขวายช่วยด้นช่วยนี้ก็อาจมีการกระทบกระทั่งเป็นอย่างไงบุญไม่บ ร, ริสุทธิ์ควาสมสงบเกิดขึ้นจากที่จิตสงบเนี่ยเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากจิตที่ได้รับความสงบเป็นบุญที่บ ร, ริสุทธิ์เป็นความสุ ข, ขที่บ ร, ริสุทธิ์คำว่าบ ร, ริสุทธิ์ก็คือไม่มีท่อจังก์มาแยกไป มันยื้อไปมายแย่งไปถ้าเื่ออ่าทําเพียรมากก็ได้ผลมากคนอันดับสองก็ยิ่งมากเพิ่มพูนทวีคูณไปมากไมยมหาศาลท่านที่ใดจะได้รับความสงบจากนั้นแล้วความเป็นอยู่ก็หนาอยู่มีความสุขมีความชุ่มเยน็นน่าอยู่กิเลสมันไม่มาลุยแย่จิใจเราเศ่าร้อน เราก็ตั้งตั้งใจทําให้จิตได้รับความสงบจากนั้นแล้วแหละถึงก็เอามาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจสภาวะธรรดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นนะพิจรารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจถ้าเราไม่ได้รู้เราไม่เข้าใจเราก็รุ่มหลงซึ่งของยึดลุ่มหลงคือนี่แหละคืองานคือการของเราแต่ تى. เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้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 ถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจทาเอาสิ่มาตัดรอนเราก็คือความขี้เกียจนั่นแหละนี่อะไรโกสัจฉะโกสัจฉะความเกียดคร้านโกสัจฉะความขี้เกียจความขี้คร้านนัน่งๆเข้าเราก็สอยหาความสุขจากการหลับจากการนอนจากการอยู่ ส, ยสบายนี่แหละไม่ต้องทําอะไรนี่แหละ นันคือวความเกียดค้านเขามันม่มมันมาเรียรนแล้วแ่ะไม่ต้องทำอะไรน่ะอยู่สุข ส, สบายนี่เอาความสุขแั่นี้เอาเละผลประโยชน์อะไรที่จะทำก็ไม่มีเหตุต่งตางๆจะประกอบให้เกิดขึ้นก็ไม่มีผลิตกตามมานด้วยเหตุหการขวนขวายบุญกุศลเข้าสุจริตใจไม่มีประยู่แค่นั้นสักวันนึ่งก็เบืเ่อนั่นแหละอที่เราเห็นว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดเยี่ยมที่สุดนะ่ะ เมือม่อแล้วเมือ่อแล้วจิตใจตั้งเบื่อได้แล้วไม่ว่าเราไม่ได้ทาําประโยชน์อย่างไรยังไม่ได้มีผลพอที่จะพลอยเลยครับผลที่ออกแทนกินมบกอินใจกับงานนั่นกับธุรานั่นกับธุรานี้กับผลงานนั่นกับผลงานนี้กับผลงานภายนอกกับผลงานภายในมันไม่มีไม่มีแล้วอยู่แบบจิตจืดชื่ดไม่มีอะไรเป็เครื่อง ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่ที่เขาเรียกว่าไม่มีวิหารธรรมในเมื่อไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่มันก็อยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ด้วยความขิ่นแทงยับเยินในหนัวใจก็อยู่อย่างนั้นแหละกลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อยู่ท่ามกลางสนามผุดสนามโกรลม ผ, ผุดผัดขั ด, ขดกลาบเจลี่ยวสัย ของตนของตนให้ละเอียดให้พระนี้ขึ้นพระน้ำขับเราก็อยู่อย่างคนล้าหลังอยู่อย่างคนที่ล้าหลังไม่ทันสมัยทันสมัยเละถ้าอยู่แบบถ้วอยู่แบบไม่ทันสมัยอยู่แบบคนล้าหลังอยู่แบบคนขาดทุนสูญดอกอยู่แบบทําวันคืนโลกไป ท, กกนะทําโอกาสมีนาทีทองให้โลกไปเปล่าประโยชน์เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าเราอิ่งแกร่งขวนควายสร้างทรรประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นักประโยชน์เบาประโยชน์มากประโยชน์น้อยรวมไปถึงประโยชน์ส่วนตัวทำจิตให้ได้รับความสงบพิจารนามให้มีความรูมีความเข้าใจทางด้านธรรมะเป็นชั้นเป็นภูมิไปขยับไปเรื่อยก้าวไปเรื่ยเข้าใจไปเรื่อยขยับไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อย ความสงบแบบแน่นหนามั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นแน่นหามั่นคงไปเลยความรู therefore therefore ้ความเข้าใจก็เปิดอันนั้นขึ Kendall ้นมาพิจารณาเปิดอันน ok ี้ขึ้นมาพิจารณาเปิดธรรมะภายในใจพิจารณาพิจารณาเนยอนิจจารู้เข้าไปพิจารณาเน่ยทุกขังดูเข้าไปสิ่งหล่านี้สิ่งเหลนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นหลักสัจธรรมเป็นสัจธรรมที่มีอยู่ประจำกาย เป็นสัตย์จะทำที่มีอยู่เป็นยำจิตก็หอดคือหาดูเพื่อบันเทาความรุ่มหลงเพื่อบันเทาความประมาทความรุ่มหลงความมัวเมาเมื่อเราเห็นประโยชน์เห็นผลเห็นประโยชน์ความอุตส่าห์พยายามความภากความี่ก็มีก็ตามมาตามมามองเห็นช่องมองเห็นโอกาสว่านี่แหละโอกาสนี่แห ดีแหละเวลาดีแหละดีแหละโกาสดีแหละช่องนี่แหละหมาะนี่แหละคยหาความสุขก็โวยความสุขเข้าสู่จิตใจนนี้ในความสงกขั้นปฐมฌานนั่งขั้นฌานที่หนึ่งขั้นฌานที่สองขั้นฌานที่สามขั้นฌานที่ไหนกันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกําหลนไปมากที่จะสงกได้ครับความสงบละเอียดลึกไปขนานไหนก็ตาม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 หลงเพลินมัวเมาไม่รู้ไม่เข้าใจแลก้ก็ย่ๆออกไปพิจราจรณาออกไปพิจารณาใจพิจารณาสิ่นี้พิจรารณาอารมณ์ทมาเกี่ยวข้ากับสิ่งนี้พิจาราที่เรศที่มันโคลเข้ามาเรื่อยๆที่จิตรงนี้เปนเ็นให้เราคลอยลุ่มหลงไปกับมันกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับอะไรไม่จบไม่สิ้น อ, อั น, นเป็นสนามเป็นงาน ที่ทาให้เราน้อมนำความเคล้าตัวของจิตของเราของสติของเราของสัมผัญญิของเราของปัญญาของเราออกมาขึ้นมาที่เกิดความก็เกิดความก็ไปพวกเราถ้าพวกเราอยู่กับภาวะนนี้กับภาวะที่ตั้งออกตั้งใจชวยนะคุณนำความดีใส่ตัวเขาตัวเราเราเห็นว่าวันคืนลงไป มันมีแต่จะได้รับประโยชน์กับประโยชน์นะ้นประโยชน์ทั้งหมดท่านก็เสริมหาประโยชน์อย่างนี้เราก็เสริมหาประโยชน์อย่นี้ท่านก็ทําเพื่อประโยชน์ต้นประโยชน์ท่านเราก็ทําเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการช่วยอดุลย์จุนเจือทำให้ชุองสังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขเราก็ได้รับความอบอุ่นจากท่านท่านก็ได้รับความอบอุ่นจากเราเราก็คอยได้รับความสะดวกสบายจากท่านท่านก็คอยได้รับความสะดวกสบายจากเรา ตามเพื่อเอาวยให้ให้ต่างคนต่างมุม่มัน่นแสวงหาและได้รับประโยชน์บุญบา ร, รมีของใครแก่กล้าขยับตัวเข้าไปได้อย่างัวเดเรวก็ไปใครที่ยังอ่อนอยู่ก็ฝึกเขาก้าไปล้กกล้าปรเลยแข็งปรเยแข็งประเดยแข็ ง, ป เ, ขงป เ, เป็นการเ ส, สเริมสร้างเพิ่มบูญบา ร, รมีแก่กันกัน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 อยู่ในปัจจุบันประโยชน์ยามยิ่งเราก็ยามทาําคือต้องใจภาวนาธรรมะทั้งประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งเราตัง้งารทำเอายาประมาอยากมักง่ายใ ห, ใ, หห ใ, หให้มีสติให้มีนิริตให้มีอดปที่มีสังขจันญรความรอบรู้อันไรควรอนไนรไม่ควรอันไหนเหมาะอันไนไม่เหมาะ เราก็ตั้งใจทำออกอยู่ด้วยความธรรมะความอยู่ด้วยความไข้ ค, ควรวญอยู่อย่างมีทิฏฐิคําว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นถ้าอยู่แบบอยู่แบบผู้ที่เต็มไปดมานะทิฏฐินั้นคิดแล้วคำว่ามานะทิฏฐิ ค, คือคือถือตัวที่จนไม่ยามฟังอะไรใครอยู่ยังเบื่อถือรั้นเขาเรียกว่าอยู่ยังมานะทิฏฐิ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 แต่ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเอาศักรูธรรมทางตานี้มาแปลไปามอำนาจของกิเลสแล้วไปใช้ในสิ่งที่เป็นทูกเป็นทุกและที่จะเอาประโยชน์มาให้ตนมูพวกพ้องที่เกี่ยวข้องอยู่กลับเอาโทษมาให้ตัวเองกับมูกับพวกพร้องที่เป็นอยู่กันเถอเนาะหลักสูตรมันตั้งใจทีเดียวเด้อ ผมไม่ได้ตามไปดูตามกติกตาตั้งนะใครตั้งใจมากน้อยอะไรยังไงเนี่ยให้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะอยู่ให้ได้ประโยชน์อย่าไปอยู่แบบงอตีคิดของอ่านตีตันอัน่ตนตู้นีให้อยู่อย่างธรรมใอยู่อย่างสมณะให้อยู่อย่างผู้แสวงสแสวงธรรมแสวงบุญสแสวงกุศลอย่าอยู่แบบขี้เกียจขี้คลานมักง่ายทําเพราะว่าทําอะไรก็ตั้งใจทํา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 อย่าเอาแต่ฤทธิ์เดชของกิเลสมาอวดมาอ้างมาแสดงให้กันนะไม่ได้ผิดแท้ๆปัจจัยทั้งสี่พระพุทธเจ้าท่านทรงเมตตาประทานให้ให้พวกเราได้อยู่ได้ใช้ได้สอยอย่างสะดวกสบายภายใต้ไมบุญของพระองค์ภายใต้ไปบุญของพระองค์แต่ถ้าเราทําตัวไม่เหมาะสมเนี่ยเราไม่มีสิทธินนะถ้าเราทําตัวไม่เหมาะสมนี่เราใช้หลักการที่พระองค์ทรงประทานไว้ไม่ได้ พยามเป็นคนทุกศินเนี่ยคิดแล้วผิดเล่านื้คิดออกนอกร่องนอกลอยเพราะที่จะความ อ, อุตส่าห์พยายามขยันหมาเยือนเพราะที่จะธรรมนัตธรรมที่เราควรจะจะตั้งใจปฏิบัติควรจะได้คนเวรจะถึงมันไม่ได้มันออกนอกรูนอ ก, กทางไปอยู่แบบที่เกียจขีดคลานมากักง่ายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในใบบุญที่เราบุษฐานไว้ บริโภคสิ่งที่พระองค์ประทานเอาไว้เนี่ยในเมื่อไม่มีศีลเมื่อเราบริโภคเท่ากับว่าเราขโมยขโมยท่านบอกว่าเทยะเทยะเทยะบริโภคอยู่อย่างขโมยขโมยบริโภคอยู่อย่างขโมยบริโภคอยู่อย่างเป็นหนี้เป็นสินบริโภคแต่ถ้าเราตั้งใจอยู่เพื่อบำเป็นสมณธรรมเนี่ย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 มันยี่กดทับเราให้หนับให้หน่วงทวงจิตทวงใจอยจู่ hm นั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ขาดทุนสิ่งตาเหล่านี้น่าจะผ่านพ้นไปหมดนั่นแหละสำหรับพวกเราเหลืออยู่อย่างเดียวว่าพวกเรามีแต่จะตั้งใจบุกเบิกบุกเบิกบุกเบิกหัวใจของใครของเราเนี่ยแหละขอปฏิบัติของใครของเราเนี่ยตั้งใจบุกเบิกสิที่มีขอจําเป็นข้อวัดปฏิบัติเราต้องช่วยกัน ทำโน่นทํานี้ปัดกวาเชตถูดูแลรักษาเสนาสนะที่เราอยู่ที่เราอาศัยของส่วนตัวของส่วนรวมนี่จะตั้งอกตั้งใจสิ่งวันนี้เราตั้งอกตั้งใจทําเนี่ยมันได้บุญไม่ใช่ไม่ทำได้เปล่านะทําเพื่อเราทําเพื่อหมู่ได้บุญมันมีแต่บุญกับบุญผู้ที่ไม่ได้บุญก็ผู้ที่ไม่ทำผู้ที่ตีที่เสียที่คลานไม่ไดารายเขาดอก กสิเลตภายในใจมันไม่ได้ฮีเกีตฮีคลานนะมันยุตลอดมันแย่ตลอดมันกระสิบยังงั้นกระสิบอย่างนี้กระสิบกระซาอย่างงั้นกระสิบกระซาบอย่างนี้ตลอดนะในใจของเราเนาะแยอะว่ามันสงบนะมันไม่สงบมันไม่เงียมันตามมาน่ะมันก็ยิ้มยิอมเนี่เป็นโอชาเป็นอาหารอันโอชาของเราแล้วคนนี้หัวใจดวงนี้มันกระโดดเข้าไปเกาะเต็มอัตราสิของมานนะ เดินเดินนั่งนอนขยับก็มเงยอ่ะมันเหมือนกับมันเป็นความกระจำหัวใจตรงนั้นนหละเป็นของมันทั้งหมดอาหารอันโอชาของมันแหละอาหารอันโอชาของกิเลสนี่ะแซบมากๆอร่อยมากๆสำหรับมันเราจะเป็นอย่างนั้นเหรือเราไม่เป็นพวกเราตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นมันคืนลงไปต้องได้ประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งปรมัาถประโยชน์ ต่างคนต่างทีบตัวเองเข้าไปวนขคายเข้าไปยืนเดินนั่ง on, นอนหลับตาตกำหนดที่เจรนาภาวนาอยู่ยนั้นแหมัดอยู่นั่นแหละอะไรันจะเผลขึ้นมาไปช่างมันนหะกำหนดจดจ้างรู้อยู่นั้นแหละเพื่อยเกิดประโยชน์เกิดเกิดประโยชน์คือความรู้เกิดเกิดความรู้เกิด ค, ความเข้าใจเป็นตัวของตัวต้องตั้งใจปฏิบัติตทำเข้า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 เข้ามานี่แบกเข้ามาหาบผามแบกเข้ามากลับไปเนหาบเข้าไปหาไปเป็นกวียนคกวียนเป็นรถๆถคนอ่น ะ, ะ, ะ, ะสี่วันนี้เราลำพังลำพันธ์แล้วเป็นเหตุให้เราน้าเค็ดหลาบเป็นเหตุให้เกิดที่ริในจิตเกิดโทตะปัดในจิตที่ริก็คือละอายแก่ใจของตัวเองโอตะปัดก็คือกลัวโทษทางตางเหล่านั้นเนี่ย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 เป็นเหตุมันทุกข์แห่งโทษเป็นเวรเป็นภัยไม่เอาตรงนี้เราต้องกรยิบยิ้มย่ำให้กับตัวของตัวเราพยายามยกตัวเองให้สูงยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงสูงด้วยศีลสูงด้วยธรรมสูงด้วยข้อปฏิบัติสูงด้วยความอุตสาห์พยายามข ย, ยันหมั่นเพียรมันไม่ได้ขยันหมั่นเพียรอะไรเป็นเหตุให้ ปุริปุจจต้องลุกต้องวิ่งต้องจับต้องทํองอ า, ง า, าทั้งอะไรผักตามนัน่งภาวนาําหนดจิตให้สงบอยู่ข้างในนั่นน่ะสงบงบเงียบคลึ้มอยู่คนเดียวนั่นแหะอันนั้นแะไม่มีใครไปเยี่ยงไดอไปยเยี่ยงไดเอาขนาดนั้นก็ได้นั่นแหละจะกอบจะโกยมากขนาดนั้นก็ตามอยวไปหากอบโกยกอบโกยโคงเหมือนอย่างที่เขาว่ากันนั่นะแะเรามากอบอันนี้แหละโกยอันนี้แหละกยนนละกยบุญโกยกุศลในใจของเราน่ มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจอเข้ามาอยู่นี้แหละติดจอเข้ามาที่จิตปัญญา จ, จอเข้ามาที่จิตพิจารณาที่จิตไข้ทวนที่จิตฝึกที่จิตซ้อมที่จิตขูดขัดเกาฝึกฝนอบรมทรมานที่จิตทรมานกิเลสอยู่ในนี้แหละ ย, ย้ำกันอยู่นี่แหละคนต่างหวังพึ่งกันนละไคาสามัคคีกันตรองรองกัน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 สู่กันและกันหวังพึ่งพาสายชึ่งกันแล่กันอ่อนเข้าหากันน้อมเข้าหากันสมัคคีเข้าหากันฟรองเราเข้าหากันกลมเกลียวไม่ปีนเกลียวคําว่ากลมเกลียวคือไปตามระบบระเบียบไม่ปีนเกลียวกลมเกลียวสามัคคีไม่ปีนเกลียวปีนเกลียวก็คือปีนระบบระเบียบมันก็ขัดขันก็แย่นั่น ลองไปดูที่เกลียวมันปีนเกลียวมันคันไม่เข้านั่นแหะที่ทำให้เกลียวมันปีนกันลุคันไม่เข้าดอกประโยชน์ก็ไม่เกิดเกิดแต่โทษคือมันไม่เข้านั่นแหละลองเกลียวเชื่อรู้เอาอะเกลียวเชื่อน้องไม่หมุนให้มันไปตามเกลียววันนูมันก็ไปขวางมูอยู่นั่นแหละแทนที่ไปช่วยสมัครสมานมูให้สามัคคีแข็งแรงน่ะไม่เลยไปขวางหมูอยู่นั่นแหละเกลียวเชื่อ ทิฏฐิมานะกับมุกมานะเนี่ยมันต่างกันคำว่าทิฏฐิกับทิฏฐิมานะมันก็ต่างกันอีกทิฏฐิมานะเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดเป็นกิเลสทั้งดุ่นถือมั่นในความเห็นของตนมีใคร ว, ว่าถือมัน่นถือมั่นในความเห็นของตนทิฏฐิม า, น, านะน่ะ ยึดมัน่นถือมั่นในความนึกความคิดความเห็นของตนในความเห็นของตนน ะ, ะแต่ถ้าความนึกความคิดอันนั้นเป็นไปโดยธรรมเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามหลักสัจธรรมอันนั้นท่านไม่เรียกว่ามานะทิฏฐิท่านเรียกว่าทิฏฐิทิฏฐิธรรมเห็นธรรม ทำนึกความคิดที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นมานาท่ถิเกเลตเลตั้งรุ่นเกเลตตั้งร้อยเป็นบุญที่พวกเราเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมีข้อปฏิบัติปลกฟังให้พวกเราได้ยินได้ฟังถือมาเป็นข้อปฏิบัติตามตามตามกันมาอย่างเราพากันทำอยู่ ตลาก็ามีข้อวัดกวดเช็ดถูผูสะอาดอาสนะรักษาความระเบียบเรียบร้อยความสะอาดถ้าที่มันมีความจปดเก่บจากนั้นแล้วเข้าไปสู่ที่พักของตนของตนก็มีข้อข้อปฏิบัติเป็นส่วนของตนของตองนภาวนาดลนกม ที่เจอเนา่ยนนวางเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เป็นบรรทัด ฐ, ฐานเอาไว้เ้ากตีตัวเราเนาะมัดตัวเราดึงตัวเราขยับตัวเราให้เป็นไปตามนั้น พักผ่อนผ่อนร่างกายแต่ใจมันไม่พักผ่อนใจมัภาวนามันก็ภาวนาไปแต่ถ้าใจมันเหน็นเาานนนหนด เ, เ, นเหนื่อยเราพักผ่อนทางใจก็คือสงบเข้ามามันึกไปคิดไปพิจารณาไปกําหนดมากๆเข้าไปหนึ่งเลยมันหมดกําลังกําหนดให้สงบเข้ามานี่คือพักใหญ่ พักกายก็คือพักพักไปในระหว่างที่ร่างกายพักแต่ใจไม่พักใจกับำกำลังดูกา ย, ยานี่แหละแม้ว่าร่างกายเหนื่อยร่างกายก็พักได้แต่ใจยังไม่เหนื่อยใจไม่พักใจกําหนดลู ก, กา ย, ยานี่แหละพิจารณาเ่ยย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปก็เพ่อมันหลับให้มันหลับไป เกินขึ้นมาแล้วดูต่ออย่างนั้นจิตมันเหนื่อยจิตมันเหน่อยเราพักจิตเนี่ยเรารู้เราคิดเราคิดอย่างนี้เรารู้ว่าเออพักกายเป็นยังไงพักจิตเราพักกายแต่จิตเราไม่พักเราทํางานที่จิตทํางานเหนืเหนื่อยเราพักจิตเราพักจิตแล้คือเราก็เหนือนสนุก สงบยังไงก็ตามพื้นฐานที่เราตั้งเอาไว้ได้ทำอาไว้ได้ลึกลอเอียดขนาดไหนก็คือของใครของเราไปเจนทาัพยเนทรัพาลดูก่อนดูมาที่กายดูมาที่เวทนาดูมาที่จิตหรือไม่ก็ดูมาที่ ด้วยทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาดูมาที่ขันรูมาที่กายทั้งก้อนทั้งแท่นดูมาที่จิต ท, ที่มันมเกี่ยวข้องกับอารมณ์จะดูยื่นเรื่องแน่ น, นอนมันจะหมดมันจะอดเลยงานทำเต็มไปหมดเต็มมืองานต่างๆเหล่านี้เต็มมื อ, เ, มม เ, มมอเรามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมีความฉันยา่าอยู่กับเนื้อกับตัว งานเต็มม้าเต็มมือมจโจทยอะไรงานทำนอกจากมันไม่ทำเท่านั้นแหละมันเอาไปนึกเอาไปคิดกับสิ่งที่เป็นโทษนั่นแหละนะครับหัวแตกแล้วเลือดเยิ้มมาแล้วเจอโนุนโอ้ยเจอของทุกข์มาแล้วเจอโนุนโอ้ยควทุกข์มาแล้ว ไปเจออันโอ้พิจตกของคนเรื่องน้นแหละไปเจออันโอ้ตกของคนเรื่องนี้นแหละไปาทุกขนน์น่แหละาโทษไม่เจอแต่ทุกข์แต่โทษอะไรงานการที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษท่านให้ทนะมันไม่ทามันไม่เอาจะโทษใครท น, นต้องโทษเราเน่แหละ ทักใหมเปลี่ยนไหมทำใหมอยู่นี่แหละขยับขึ้นขยับลงขยับลงขยับขึ้นอยู่นี่แหละ mm hmm. นั่นว่าเรามีการฝึกฝนอบรมความแก่ความแก่แ ก, กล้าความรอบรู้ความเพิ่มพูนมันมีขึ้นทุกครั้งทุกเวลามันก็แก่ไปารื่อยแก่ไปเรื่ย แก่สติแก่ปัญญาแก่ความรู้แก่ความเข้าใจใจเราไม่แก่เจ้าไทยท่านเทศใจเราไม่แก่ใจคือผูร้รู้คือท่าทู้นะมันไม่แก่ถ้าเราเอาสุขมาใส่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 การพูดมันยังไม่สิ้นสุดสิ้นสุดก็คือต้องแก่บุญแก่บาปใครทำบุญมากคนนั้นแก่บุญคือบุญมากใครทำบาปม า, มากๆคนนั้นแก่บาปมันแก่ไปได้ใจแก่ไปแบบนั้นแต่คือผูร้รู้คือธาตุรู้าทุรู้มันไม่บริ ส, สุทธิ์มันไม่อิสระเสรีคือเหลมพายุพาเกาะนี่แหละ เรามาพิจารณาจิตดงนี้แหละไม่งั้นไม่รู้ไม่เห็นหรอกไม่เห็นสมุทัยที่มันมันไปพันจิตเน่ยไม่เห็นหลงอยู่อย่างนั้นแหละเห็นมันเถียงกันเห็นเขาเถียงกันอยู่ทุกวันตางคนต่างหลงจะไปว่าใครอะตางคนต่างทิฏฐิมันอะมันไม่ฟังใครอ่ะมันมีที่จบไม่มีจุดจบนั่นนะครับว่าพังไปแถบหนึ่งอะพังไปแถบหนึ่งก็อาจจะจบ เฉพาะสิ่งที่พังอนะ่ะจิตใจมันยังไม่พังอนะ่ะกรร ม, มันยังไม่พังจิตใจยังไม่พังเดือดร้อนระอุประทุกอยู่ในจิตนั่นะตายไปไปอยู่ในภูมิที่จิตร้อนที่สุดนะ่ะนั่นนรกคุ้มที่ร้อนอนะั่นจิตใจร้อนๆนี่ตายไปต้องตกนรกจิตใจหลงๆเลยหลงๆนะไม่รู้หนา้ารู้หลังรู้ผิดรู้ถูกอยู่แบบไม่ใช้สติใช้สัมปชัญญะอะไรนะ่ะ ตายไปเป็นสัตว์ดูที่สัตว์เนี่ยดูแต่ลูกนกที่เราเห็นเนหะ็นไหมมันทรมานขนาดไหนไหสเสือแป๊ดเหียวมดไปขึ้นหวนวนั้นนะพระไปจับเนี่ยตายแล้วเมื่อวานก็ตายแล้วนกพว น, นี้ถ้าเราไปถูกมันแล้วมักมันมกัมนมกจะไม่ค่อยอยู่นะมักจะตายง่ายจัง เ, เลยนกสองตัวนัน่น อ, อยู่หัวจงกรมตูเส่ตายวันนี้มาอา้าวตายไปแล้วแม่มันก็ร้องเชียร์อยู่ ข, ข้างๆนั่นแหละตายไปแล้วเนี่สเดรัจฉาน ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แบบไม่แสวงหาสติแสวงหาปัญญาอยู่แบบง่อๆเสื่อๆซาซตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่แบบโมโหโทโซจิตใจทุกเรา้าร้อนน่ะตายไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์นรกน่ะอยู่อย่างผู้ศึกษาตั้งใจศึกษารู้ปัดรู้ธรรมมีโอกาสได้เป็นเทวดามีโอกาสได้เป็นพระอริยเจ้าทั้งอกตั้งใจเอาเอาธรัมนะนะ